ที่ใดมีความทยานยากที่นั่นมีโศกที่ใดมีความทยานยากที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีความทยานยากเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีพุทธวั จ, จะนะ การปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาชีวิตศึกษาเรื่องของตัวเราเองเราจะได้เข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตของเราตามที่มันเป็นจริงการศึกษาชีวิตเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นเครื่องมือในการศึกษาชีวิตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเราต้องฝึกอุปนิสัยของเราให้มีสติ อันกลับมาดูตัวเราเองต้องสร้างความเคยชินแบบใหม่คือให้ย้อนมองดูตัวเองมากๆวันแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยโดยสัญชตาตญาณนะเราไม่ค่อยมาดูตัวเราเองเรามักจะดูแต่ผู้อื่นพูดก็พูดแต่เรื่องของผู้อื่นแม้แต่จะคิดเราก็คิดแต่เรื่องผู้อื่นเรื่อยๆบ่อยๆลืมดูจิต ด, ดูใจของเราว่ารู้สึกอย่างไร เมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆคือเราสนใจแต่สิ่งข้างนอกบิตใจเราก็เป็นทุกข์นะมีความโศกมีความเศร้า ก, ก็ลืมดูใจเราน่าสงสารนะใจเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวั น, นใช้ชีวิตแบบมีสติรู้ตัวอยู่เสมอๆจิตใจเราเนี่ยจะเป็นปกติ จะเบาๆว่างๆเป็นปกติจะไม่ค่อยเครียดทุกก็ลดน้อยลงไปอันที่จริงเนี่ยเราลองสังเกตดูจิตใจของเรามันมีความทุกข์เพราะอะไรมีความเครียดเพราะอะไรจิตใจเราเ่ยไม่เป็นปกติเป็นเพราะอะไรมันมีเหตุโดยเฉพาะความดิน้นรนทยานอยากเดกเรียกว่าตัณหาเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยผิดปกติ อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาอยากให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้อย่างใจเราอยากจะเปลี่ยนจิตใจเขาให้ได้อย่างใจเราอันนี้เป็นความดิ่หลนทยานอยากนะทุกข์เกิดขึ้นแล้วในใจเราแต่เราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเป็นความอยากน้อยๆเราจะมองไม่เห็นทุกข์มันกกอะตัวแล้วในจิตใจเราแต่ถ้าเราขาดสติ รู้ไมมทนายการอยากเหล่านั้นไอ้ความอยากที่มันดิ้นรนอยู่ในใจใจเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อความอยากเพิ่มปริมาณมากขึ้นความอยากจะมีกำลังจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ในภาษาธรรมเรียกว่าอุปาทานนั่นเองยึดมั่นถือมั่นคราวนี้ละ่ะมันเริ่มร้อนเริ่มแรงเริ่มทุกข์หนักขึ้น เพราะความยึดมั่นถือมั่นจะต้องเอาให้ได้จะต้องทำให้ได้จะต้องใครก็เชื่อเราให้ได้อะไรยมันก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนไม่ใช่ความอยากธรรมดานะเป็นความดิ้นรนที่ว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นทั้งตันหาเป็นทั้งอุปาทานเลยแนตะ่เราก็ผิดปกติเครียดเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นทุกข์ละในใจเรา ชีวิตเราเนี่ยที่มีปัญหามีความทุกข์เนี่ยไม่เกินสองสิ่งเนี่ยคือความอยากและความยึดมั่นถือมั่นสังเกต ด, ดูที่ใจเราถ้าไม่มีความอยากหรือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยใจเราไม่เป็นทุกข์เราเดี๋เราจงมาดูที่เหตุตรงนี้นะที่ใจเราถ้ารู้จักยอมรับซะบ้างยอมรับในเรื่องธรรมดาความอยากเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันในความอยากซะก่อน จะให้มันแสดงตัวออกมาเขาเรียกว่าอะไรก่อตัวรุนแรงจนเป็นความยึดมั่นถึงมั่นความอยากมันก็จะหมดไปได้นะความอยากเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถมีสติรู้เท่าทันมันได้อาจจะไม่เกิดพร้อมกันระหว่างความอยากกับสติอาจจะเกิดความอยากก่อนแต่ถ้าเรารู้ทันในตอนนั้นแล้วก็เราก็ทันเหมือนกันนะเรียกทันควันทันควันกับความอยากเลยจะเป็นทุกน้อยเพราะฉะนั้น คนเรา เ, เป็นทุกข์เพราะขาดสติไม่รู้เท่าทานตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในใจเราจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์เพราะขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้เลื่อนลอยไปตามความอยากสุด้ามันก็เป็นทุกข์ตามมาอันนี้คือสาเหตุนะแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกมีอยู่ความดับทุกขก็มีเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะเราต้องมีเครื่องมือในการศึกษาชีวิต เครื่องมือในการดับทุกก็ต้องอาศัยสติสติเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยทันกับเหตุการณ์นะบางทีมันทุกไปนานแล้วสติจึงจะเกิดขึ้นเราอย่าไปรออย่างนั้นเลยสติเราต้องรู้จักที่จะสร้างมันขึ้นมาบ้างการสร้างนี่ไม่คิดเอานะธรรมะนี่คิดเอาไม่ได้หรอกเราต้องมีการปฏิบัติมีเครื่องมือปฏิบัติโดยอาศัยที่จะฝึกฝนบ่อย มันจะเริ่มสติบ่อยๆขยันรู้สึกตัวบ่อยๆการขยันรู้เนี่ยเรียกเป็นภาษาธรมว่าเป็นการภาวนาก็ได้ขยันรู้สึกตัวบ่อยๆยเงี้ ย, ย, ย, อ, ยอันนี้เป็นความเพียรการขยันรู้บ่อยๆ เ, ยเราจะเคยชินนะมันเป็นการสร้างความเคยชินแบบใหม่ที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอๆความเคยชินเนี่ยเมื่อมีขึ้นแล้วในใจิตใจเราเนี่ย จะเกิดความเป็นเองสติก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติใหมายก็ต้องขยันรู้สึกตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะสติเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือระลึกรู้หรือระลึกได้เมื่อมีสติระลึกได้จิตใจเราก็ไม่เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆจิตไม่เลื่อนลอยเมื่อเรามีสติทํางานอะไรจิตใจก็ไม่เลื่อนลอยขับรถก็ไม่เลื่อนลอยนะ จิตใจจะเป็นปกติถ้าไม่เรื่อนลอยแล้วจิตจะอยู่ที่ไหนอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันที่กายที่มันกำลังเคลื่อนไหวมีสติรู้กายที่มันกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำหน้าที่กำลังเจริญสติกายที่เคลื่อนไหวถ้ามีสติตามรู้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นปัจจุบันใหม่ๆอาจจะตามรู้ก่อนต่อไปนี่มันจะไม่ตามรู้นะจะรู้พร้อม กับกายที่เคลื่อนไหวเลยพอเคลื่อนไหวปั๊บสติก็รู้ทันทีมันเป็นปัจจุบันที่สุดเลยทำไมจิตใจเราจึงเลื่อนลอยเพราะเราไม่มีปัจจุบันจิตมันเลื่อนออกจากปัจจุบันแล้วมันก็ลอยไปตามอารมณ์หรือความคิดมันเลื่อนแล้วก็มันลอยต้องมีสติแล้วก็สติจะช่วยทำให้จิตใจนี่ไม่เลื่อนลอยรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่การเคลื่อนไหว กายที่เคลื่อนไหวนี่แหละเป็นปัจจุบันที่สุดเลยการนอนการนั่งการยืนการเดินแต่ว่าเราไม่ได้รู้กายอย่างเดียวหรอกเมื่อสติมากขึ้นเนี่ยมันจะรู้ถึงจิตใจใจที่มันลอยไปแล้วเราก็ตามรู้ได้การตามรู้ใจรู้จิตเนี่ยมันจะรู้ทันทีไม่ได้หรอกมันจะไม่ค่อยปัจจุบั น, นมันต้องเลื่อนไปนิดนึงก่อนและสติเคยรู้มันคิดขึ้นมาก่อนเราจึงรู้ มันเครียดไปก่อนเราจึงรู้เราต้องตามมารู้รู้ในความคิดจิตมันต้องหลงไปซะก่อนแล้วก็ตามมารู้รู้แบบทันควันใกล้ๆเลยควันเนี่ยมันไม่ห่างจากไฟหรอกเรารู้ไฟไม่ทันก็รู้ควันก็ยังดีนะเรายังเห็นที่มาของควันได้ถ้าเราขาดสติเมื่อไห ร, ร่แล้วใจก็เลื่อนลอยไม่อยู่กับปัจจุบันหลงไปนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นสติเนี่ย สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ไม่ดีก็ตามถ้ามีสติแล้วเนี่ยปลอดภัยสติเนี่ยเพื่อทาหน้าที่รู้เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ในอารมณ์มีอารมณ์ดีมากระทบจิตก็ไม่ได้ดีไปด้วยเพราะมีสติคุ้มครองไว้แต่รู้ในอารมณ์ดีเมื่อเวลามีอารมณ์ไม่ดีมากระทบ ก็รู้ในอารมณ์ไม่ดีไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไปด้วยนะเพราะมีสติฉุดเอาไว้จิตเราจะไม่ขึ้นไม่ลงตามอารมณ์จะรู้เฉยๆไม่ขึ้นไม่ลงแต่เรารู้อุปมาไม่อย่างกับว่าเรือที่อยู่ในแม่ น, น้ำเนี่ยเมื่อเขาทอดสมออยู่กลางแม่ น, น้ำเขาจะไม่ไหลไปตามน้ำเมื่อเวลาน้าขึ้นเรือก็ไม่ไหลขึ้นไปด้วยมีสมอผูกไว้ เวลาน้ำลงเรือ <Read> ก <ings> ็จะไม่ไหลลงไปตามน้ Android. ําเพราะมีสมอผูกไว้เวลาน้ําขึ้นเรือก็จะหันหัวไปทางใต้เพอน้ํานี่ขึ้นมาจากใต้นะน้ําทะเลนนจะหันหัวไปทางใต้แต่ไม่ไหลขึ้นไปเพราะมีสมอผูกไว้เมื่อเวลาน้ําลงเรือก็จะหันหัวไปทางเหนือพอน้ําต้องไหลมาทางเหนือแต่ไม่ไหลตามน้ําลงไปหรอกเพราะมีสมอผูกเอาไว้สติก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติ จิตใจก็ไม่ขึ้นขึ้นลงลงฟุฟฟแบแตามอารมณ์เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยสามารถผูกเรือให้ไม่ไหลขึ้นไหลลงตามน้าได้ฉันใดสติก็เปลี่ยนเสมือนสมอชีวิตที่จะผูกจิตผูกใจไม่ไหลไปตามอารมณ์ได้ฉันนั้น